ไม่แน่ใจว่าตัวเองดีหรือร้ายกันแน่ถามเป็นหมอหลายคนบอกว่าเป็นอาชีพที่ได้ทำบุญตลอดเวลาแต่บางครั้งรู้สึกว่าเราทำไปโดยหน้าที่ด้วยความเคยชินซะมากกว่าแถมบางทีถ้าต้องทำงานหนักหรืออยู่เวรหรือต้องถูกปลุกขึ้นกลางดึกให้มาดูคนไข้ก็จะหงุดหงิดอารมณ์เสียเป็นอย่างมากขณะที่ไปพานเอากับคนไข้ด้วยการบ่นว่า หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพแต่ก็ยังทำหน้าที่ตนเองตามปกติคำถามคือการที่เราช่วยเหลือคนตามหน้าที่แต่ใจไม่ได้คิดช่วยเหมือนอย่างกายจริงๆอย่างนี้เป็นบุญหรือบาปกันแน่ตอบต้องแยกออกเป็นอย่างนี้ครับ 1. หมอตั้งต้นอาชีพด้วยเจตนาใด บางคนอยากมีหน้ามีตาเป็นที่นับถือในสังคมบางคนอยากได้เงินแต่บางคนก็อยากช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์พ้นไข้ด้วยเจตนาเริ่มต้นดังกล่าวพอเป็นหมอจริงๆโดยภาพรวมก็มักเป็นหมอด้วยอาการแห่งเจตนานั้นๆอย่างน้อยก็ช่วงระยะเริ่มต้นก่อนจะแปลเป็นอื่นในเวลาต่อมาคือเจตนานั้นแปรปลุนกันได้ แต่ภาพรวมของเจตนาจะมีอยู่ระยะหนึ่งตรงนั้นเป็นเครื่องตัดสินสำคัญแม้มีอาการหงุดหงิดบ้างเป็นบางครั้งโดยพื้นฐานก็ยังยืนอยู่กับเจตนาเดิมอยู่ดี 2. โทสะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของประจําหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นประจําจนท่วมทับความรู้สึกแบบหมออาชีพหมอก็จะกลายเป็นเครื่องเพาะโทสะ ไม่ใช่เครื่องก่อกระแสเมตตาดังควรครับเมื่อใดเกิดโทสะตอนนั้นคิดก็เป็นอกุศลพูดก็เป็นอกุศลลงมือรักษาคนไข้ก็อาจจะเป็นอกุศลเช่นแทนที่จะรักษาเขาสุดความสามารถก็อาจแกล้งแก้งเลี้ยงไข้เสียเลยอยากเรื่องมากดีนักแต่เท่าที่คุณหมอบรรยายก็สรุปได้ว่า ยังทำตามหน้าที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นแปลว่าเมื่อรักษาขณะโกรธนั้นเป็นเครื่องบุญเครึ่องบาปครับวจีเป็นทุจริตแต่กายเป็นสุจริตส่วนมโนนั้นหานสองเครื่องทุจริตที่คิดพูดไม่ดีเครื่องสุจริตที่คิดรักษาตามปกติเหมือนมีสองตัวในคนเดียวถ้าทำไปนานๆนนอาจก่อให้เกิดภาวะสองบุคลิกได้ ผู้หญิงที่มีสติปัญญาเกินเฉลี่ยแถมมีสถานภาพทางสังคมเป็นหมอเท่าที่เคยเห็นมาจะแรงจัดตอนโกรธกันทั้งนั้นเพราะมีความถือตัวสูงมากแต่เวลาเยือกเย็นก็จะมีภาพแม่พระตัวจริงเสียงจริงได้เหมือนกันเพราะกระแสการช่วยบำบัดทุกข์ให้ผู้อื่นเป็นประจำนั้นปรากฏเป็นของแท้แบบไม่อาจหลอกกันได้การปรับจิตปรับใจให้เป็นบุญถ่ายเดียวนั้น จะว่ายากก็ยากจะว่าง่าย ก, ก็ง่ายที่ยากเพราะติดโทสะแต่ที่ง่ายเพราะหมอมีคุณสมบัติที่ได้เปรียบอาชีพอื่นอยู่อย่างหนึง่งนั่นคือเวลาสนใจพุทธศาสนาจะมุ่งเน้นไปที่แก่นและเห็นแก่นได้ง่ายเนื่องจากต้องคลุกคลีกับความเจ็บความตายอันเป็นทุกข์ประจำโลกแถมตัวเองก็ต้องมีจิตใจที่เครียดหรือพลอยหมุนกับคนอื่นบ่อย จึงเห็นสัจจะเกี่ยวกับทุกข์อยู่เป็นปกติโดยการนี้หากน้อมจิตให้เกิดศรัทธาและตั้งศรัทธาไว้ในธรรมะพิจารณาเข้ามาทำความรู้จักทุกข์และโทษแห่งโทสะก็ย่อมเกิดปัญญาเห็นว่าควรทวนกระแสไม่ไหลไปตามต้นเหตุแห่งอารมณ์โกรธและพัฒนาขึ้นเป็นสติเท่าทันความโกรธไม่หลงเอาตัวเข้าไปดวนความโกรธแผดเผา เมื่อความโกรธรบกวนคุณไม่ได้หรือโยโย่ให้คุณคิดพูดร้ายๆกับคนไข้ไม่ได้ตรงนั้นแหละครับความเป็นหมอของคุณจะสมบูรณ์พร้อมทั้งกายวาจาและใจ